ก็ความในมหาประธานสูตรต่อจากครั้งที่แล้วพระชากล่าวถึงสมุทัยาวาระวาระว่าด้วยการเกิดวาระว่าด้วยการพิจารณาปฏิจจสมุบาภะพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ชาติสุดท้ายที่จะได้ตรัสรู้อริยสัจตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นต้องพิจารณาปฏิจจสมุบา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 ท้งอนุลมและปฏิลมการพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะโดยเฉพาะทุกขกับสมุทยัยนั้นเขาเรียกว่าอนุลมปฏิจจสมุบาทพิจารณานี่โรธกับมรรคนั้นเป็นปฏิลมปฏิจจสมุบาทนันเองในข้อ40พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลพระวิปัสสีโพธิสัตว์ได้ทรงพระดำริว่า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 ก็บอกว่าชาติไม่มะนะีเขาคือมองว่าถ้าจะหมดทุกเนี่ยนะมันต้องหมดเหตุแห่งทุกดูก่อนพิสูนทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์เนี่ยนะก็ทำไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บขายหรือพระองค์ทรง ร, รมโยนิสโสมนัสิการะนะก็เกิดการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อพบไม่มีชาติย่อมไม่มีเพราะพบดับชาติจึงดับะนะ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 ไม่ใช่นัตถิปัจใจไม่ใช่แปลว่าไม่มีศูนซุนว่างๆไม่ได้เป็นแบบนั้นั น, นะคําคำว่าถ้าชาติไม่มีเมื่อพบไม่มีชาติไม่มีตรงนี้ไม่ใช่นัตถิปัใ จ, ป ใ, จปใจเนี่ยนะถ้านัตถิปัจใจหมายว่าถ้าหมดคือถ้านัตถิปัจใจเนี่ยนะอย่างไรเสียพบที่เป็นปัจใจแก่ชาติพบที่เป็นปัจชาตเป็นปัจใจแก่ชาตินั้นเมื่อเกิดขึ้นก็ดับไป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 ไม่ใช่ดับแบบนี้แน่นอนไม่ใช่ดับแบบนัตถิปัจจัยแต่ถ้าแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ดับชาติแล้วนั่นแหละจึงจะดับชรามรณะทีนี้ถ้าจะแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่ดับชาตินั่นจะต้องแทงตลอดทำเป็นที่ดับอะไรบอกว่าเมื่อแทงตลอดพระนิพพานที่ดับพบได้นั่นแหละชาติจึงไม่มีเพราะนั้นต้องแทงตลอดรำที่ดับพบไม่ใช่สักว่าพบดับไปแล้ว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 ถ้าตรัสรูท้ทมเป็นที่ดับภพบเมื่อไหร่ชาติย่อมดับเนี่ยนะอันนี้ถูกปฏิเสธแน่นอนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายต่อแต่นั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดำริต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรเล่าหนอไม่มีภพจึงไม่มีภพไม่มีเพราะอะไรดับเพราะอะไรดับภพบจึงดับหมายว่าต้องตรัสรู้อะไรหนอจึงจะดับภพบได้ ดูความพิสูจ์ทั้งหลายครั้งนั้นแลการทำไว้ในใจโดยอุบายอันเยบคายทำให้เกิดการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่ออุปาทานไม่มีพบย่อมไม่มีเพราะอุปาทานดับพบจึงดับ น, นะอุปาทานดับนั้นอุปาทานนานิโรธทำเป็นที่สลัดอุปาทานทำเป็นที่ดับอุปาทานทำเป็นที่เพิ่ถอนอุปาทานถ้าเพิ่มถอนอุปาทานได้โดยประการทั้งปวง พบก็ดับเพรานั้นท่านก็โยนิโสมนัสิกาเนี่ยนะเรียกว่ารู้ต้นเหตุแล้วก็รู้ด้วยว่าทำที่ดับต้นเหตุนั้นคืออะไรถ้าดับต้นเหตุได้แล้วผลมันจะดับอย่างไรทำเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าพูดถึงความดับเหตุแห่งทำเหล่านั้นอันนี้ปกติคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น ดูก่อนพี่สูทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ดมรตต์ตอไปว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าเนออุปาทานจึงดับนะเพราะอะไรดับอุปาทานจึงดับเหม ง, งนนดูก่อนพี่สูทั้งหลายครั้งนั้นแลการกระทําไว้ในใจโดยอุบายอันเย็บคายได้มีแล้วแก่พระวิปัสสีโพธิสัตว์คือท่านเจริญโยนิโสมนสิการพอท่านมีโยนิโสมนสิการก็เกิดปัญญาตรัสรู้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 จึงจะดับตัณหาได้เพราะนั้นตรงนี้ก็คือแทงเจริญเวทนานุปัสนาจนสมบูรณ์นั่นแหละจึงจะดับตัณหาได้ดูก่อนพิสูุทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปัสสีโพธิสัตว์ทรงนำเรีย ต, ต่อไปอีกว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าหนอเวทนาจึงไม่มีเพราะอะไรดับเวทนาจึงดับดูก่อนพิสูนทั้งหลายครั้งนั้นแล พระวิปัสสีโพธิสัตว์ก็ทําโยนิโสหรือว่าเจริญโยนิโสมนสิการไว้ในพระไทยโดยอุบายอันเยบคลายการตรัสรู้ด้วยปัญญาก็มีขึ้นว่าเมื่อผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับนนะเพราะถ้าผัสสะดับนั่นแหละหมายความว่าถ้าตรัสรูท้ทำเป็นที่ดับผัสสะเนี่ย น, นะพระนิพพานเป็นธรรมที่ดับผัสสะได้โดยประการทั้งปวงนั่นแหละ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 แล้วก็คิดว่าเออพอแล้วพอแล้วเออถ้าภาษาดับนะถ้าไม่เห็นซะมันก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้สึกอะไรว่าโ อ, อ้นิพพานทําไมมันง่ายขนาดนั้นใช่ไหมถ้าไม่ต้องภาษาซะถ้าไม่เห็นซะเราก็ไม่ต้องเจ็บใจถ้าไม่ได้ยินซะเราก็ไม่ต้องไม่สบายใจถ้าไม่เปไม่ต้องเก็บมาคิดซะเรากเ็เราก็สบายใจแล้วเออนิพพานมันแก้กลายเป็นว่าแก้ตัวไปวันๆหนึ่งนะ ไ, ไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนั้น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 ดูกรพิสูจทั้งหลายต่อจากนั้นพระวิปสัสสีโพธิสัตว์ทรงนาริตรว่า อ, อีกว่าเมื่ออะไรไม่มีเล่าเนาะผัสสะจึงไม่มีเพราะอะไรดับผัสสะจึงดับดูกรพิสูจนทั้งหลายครั้งนั้นแหลการตรัสรู้ด้วยปัญญาว่าเมื่อสลายญาตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มีเพราะสลายญาตนะดับผัสสะจึงดับได้มีแล้วแก่พระวิปสัสสีโพธิสัตว์เพราะทรงกระทําไว้ในในพระไถ่โดยอุบายอันเย็บคาย เพราะแทงตลอดพระนิพานเพราะได้สัมผัสกับพระนิพานเป็นธรรมที่ดับสลายตนะนั่นแหละผัสสะจึงดับนะสลายตนะดับไม่ใช่สักว่าตาบอดไม่ใช่สักว่าหูหนวกไม่ใช่ว่าจมูกเสียสภาพหมดสภาพไม่ใช่ลิ้นเป็นลิ้นจระเข้ไม่ใช่ว่าร่างกายเป็นอมาพาสไร้ความไร้ประสิทธิภาพขาดความรู้สึกไปไม่ใช่จุติจิตแล้วถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนั่นแหลเรียกว่า สลายตระักดับอันนี้ไม่ใช่อย่าลืมว่าสลายตระักสลายตนะหนักสมุทัยสลายตนะนิโรธไอสลายตระนันิโรธคือทำที่ดับสลายตระหนัหมายถึงอสังขตะธรรมอสังขตะธรรมแปลว่าทำที่ดับสลายตนะหนักแล้นถ้าตรัสรู้สลายตระนันิโรธแทงตลอดสลายตนะนิโรธแล้วนั่นแหละพัสสะจึงดับทีนี้ถ้าสลายตนะไม่มีเพราะอะไรไม่มี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 มีความสิ้นไปเสื่อมไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเมื่อมันแปรปรวนไปแล้วสลายยตนะก็มันก็แปรไปแปรไปตามปัจจัยนั่นแหละไม่ใช่แค่นั้นถ้าเป็นแค่นั้นจะเป็นยานขั้นก่อนละก่อนหน้านั้นเขาเข้าใจเรื่องนั้นกฎเกณฑ์เหล่านั้นเป็นอย่างดีเนี่ยนะอนุโลมปฏิจจสมบาติถือว่าแทงตลอดเข้าใจกฎเกณฑ์นั้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเอามาพูดก็รู้กันอยู่แล้วแต่ในฐานะนิโรธวาระนั้นเป็นการสัมผัสกับพระนิพพาน เป็นธรรมที่ดับสลายตนะเนี่ยนะแทงตลอดนามรูปธรรมที่ดับนามรูปท่าสูญสิ้นนามรูปเพราะสัมผัสกับธรรมที่ดับสังคตะธรรมได้นั่นแหละสลายตนะก็ย่อมไม่มี